มีความดุดดืดด่นรมอพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความิีอตานแต่กลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทาการค้าขายที่แรกก็ยอมไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียกีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง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 เห็นท่านทำมาก็ทําแต่อาการของจิตที่ท่านทํางานนั้นแสดงในงานนั้นเรามันมองเห็นเห็นแต่กิจยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการกอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทํำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราทําให้สองที่เกียดก็ไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เดยนะัการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทำให้เราลึกได้เราทำอย่างนั้นผิดไปท่านสอนนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติตำนำเนินตามผลก็ให้ปรากฏขึ้นมานักนีเรียกว่งางานทางใจการเดินจังกรมนั้นเป็นอิยาบทของส่วนร่างกาย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 เขไมเรียกว่าทำจะได้อะไรพูดอย่างนี้แล้ไมมันจะหมดน้ำมันนี่มันล่อนอยู่ไม่ทรางลงได้เ ม, มื่อไหร่ก็ลงไปดิไม่ท่านทจะอะไรเน่ล่อนไปร่อนมาน้มันหมดแล้วตกตายแต่ว่าถ้าไม่จะทำแล้ว อ, อะไรฉะนั้นมันก็หมดปัญหาทัท น, านทีท่านาจามาท่าอะไรคืออันนี้ความามอย่างชาเลยต้มี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 ถ้าว่าเป็นอันเดียวกันท่านมาพูดทำไมว่าปัญญ า, าอุดยปานิอะไรอย่างนังนอุนดมปานิปัญญาอุดมปานีอจะรย์ลด้หือจาเป็นอะไรจะต้องมาพูดถ้าเป็นอันเดียวกันปัญญาหมายถึงความละเอียดปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอยาได้เกิดขึ้นแล้วฮัลโลกุตปาดิความสว่างกระจ่างแจได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมจักรบสุ เอานี่ยพูดเราเนง่ผมมันมียาส่งงงเดาเอาเาพูดสนุกหนึ่งเอา